บทที่ 6. พันธะกรณีทางศีลธรรมมนุษย์เกิดมาเสรีแต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการนี่คือคำของรุสโซ่นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสซึ่งกล่าวขวัญถึงกันโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงเสรีภาพของมนุษย์เมื่อมนุษย์เราเกิดมาเสรีก็ควรจะได้อยู่อย่างเสรี แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่มนุษย์ได้ผูกพันตนเองไว้กับสิ่งต่างๆมากมายเช่นครอบครัวเมื่อชายหญิงสมัครใจจะอยู่กินด้วยกันแล้วก็ยังต้องมีทะเบียนสมรสเพื่อให้ผูกพันกันอย่างหนักแน่นแข็งแรงยังโยงไปถึงทรัพย์สินสมบัติคือสินสมรสอีกด้วยเมื่ออยู่ไปไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งจะข อ, อยาเพื่อให้สิ้นสุดภาวะสมรสบางรายก็แสนยากสร้างความเจ็บช้ำนานาประการเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมในการยาถึงกับทำร้ายกันก็มีหนุ่มสาวมักยินดีพอใจที่ได้ใบสมรสแต่เมื่อชีวิตสมรสขมขึ้นมา และเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการจะทรมานฝ่ายหนึ่งขึ้นมาไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้ใบสมรสหรือทะเบียนสมรสก็ปรากฏเป็นพันธนาการอันเหนียวแน่นมั่นคงที่จริงมันเป็นเพียงแผ่นกระดาษแผ่นเดียวแต่ก็ทำลายกันไม่ได้มันกลับเป็นสิ่งทำลายความสุขของผู้ที่ไม่ปราถนามัน นอกจากคู่สมรสแล้วชีวิตคนเรายังผูกพันอยู่กับลูกหลานว่านเครือพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบริวารชนเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องพันธนาการที่บังคับให้เราต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์วิชนั้นแล้วเราจะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีจริยธรรมแต่ในชีวิตคนหนึ่ง ซึ่งมีพันธะรุงรังไปหมดนั้นใครเล่าจะสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ทุกอย่างย่อมจะต้องมีข้อบกพร่องบ้างแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ต้องมีพันธะกรณีทางศีลธรรมพันธะกรณีทางศีลธรรมคืออะไรคำว่าพันธะกรณีข้าพเจ้าแปลจากคาว่า sanction ในภาษาอังกฤษ แปลด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยแน่ใจนะักแต่เวลานี้ยังแลไม่เห็นคำใดจะเหมาะสมกว่านี้จึงขอใช้คำนี้ไปก่อนคำว่าม o ร a l อ a แ c งชั n สนี้ข้าพระเจ้าจึงขอใช้ในภาษาไทยว่าพันธะกรณีทางศีลธรรมคำว่าแ c งชันเป็นคำละตินซึ่งมีความหมายว่ากรณียะที่มีข้อผูกพันว่าต้องทา เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงเลียังไม่ได้ตัวอย่างการสงเคราะห์บุตรธิดาเป็นพันธะกรณีทางศีลธรรมของมารดาบิดาเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำการเคารพและบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาก็เป็นสิ่งที่บุตรธิดาต้องทำเหมือนกันหน้าที่ทางศีลธรรมเช่นนี้แหละที่เรียกว่าพันธะกรณีทางศีลธรรม ส่วน l อร์ i o ลอ i ฟบนั้นไม่เชิงเป็นพันธกกรณีแต่เป็นความรู้สึกทางศีลธรรมว่าควรทำหรือไม่ควรทำเป็นทํานองว่าบางอย่างทำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเช่นการให้เงินแก่ขอทานข้างถนนการบริจาคโลหิตแก่สภ า, าชาติหรือโรงพยาบาล บางอย่างเว้นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่เว้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเช่นการสูบบุหรี่ในที่อันสมควรเป็นต้นรวมความว่า Moral o b อ i g a t i o n มีความหมายไปในทางความมีน้ำใจซึ่งมโนธรรมของตนเตือนให้ทำสิ่งที่ควรทำหรือให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วน Moral s a แซ t i o n s นั้น เป็นพันธะกรณีที่ต้องทาเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงตำราทางจริยศาสตร์กล่าวว่าพันธะกรณีทางศิลธรรมนี้มีความผูกพันอยู่กับรางวัลและการลงโทษด้วยคือผู้ปฏิบัติชอบย่อมได้รับรางวัลส่วนผู้ปฏิบัติไม่ชอบหรือการขาดปฏิบัติย่อมถูกลงโทษโดยทั่วไป พันธกรณีทางศีลธรรมหมายถึงความดารีในการที่จะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เมื่อเป็นดังนี้ผู้ทาย่อมได้รับความสุขใจเพราะทำหน้าที่สมบูรณ์และมีความเดือดร้อนใจเมื่อไม่ได้ทาหน้าที่หรือทาไม่สมบูรณ์ 1. พันธะกรณีภายนอก พวกสุขานิยมหรือพวกประโยชน์นิยมทั่วไปพยายามให้เหตุผลว่าความประพฤติอันเป็นประโยชน์ทั่วไปโดยมีพันธะกรณีทางศีลธรรมเป็นทางดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเพียงพอเป็นแทมผู้สนับสนุนประโยชน์นิยมได้ยอมรับพันธะกรณีภายนอกสี่ประการซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจให้คนประพฤติ เพื่อประโยชน์ของคนทั่วไปพันธะกรณีสี่ประการมีดังนี้ 1. พันธะกรณีทางกายหรือพันธะกรณีธรรมชาติ (physical or natural sanction) อธิบายว่าการกระทำผิดกฎทำให้เกิดความไม่สบายทางกายขึ้นเช่นกินมากเกินไปดื่มมากเกินไปทำให้เกิดโรคทางกาย ความเจ็บป่วยนี้มีสาเหตุมาจากการทำลายกฎธรรมชาติที่ดีด้วยเหตุนี้คนจึงต้องระวังไม่กล้าผิดกฎธรรมชาติเพราะกลัวธรรมชาติลงโทษเนา 2. พันธะกรณีทางกฎหมายหรือรัฐ p o l i t i c a l sanction คือทำผิดกฎของบ้านเมืองย่อมถูกลงโทษโดยผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายของบ้านเมือง เมื่อประบผิชอบย่อมได้รับรางวัลหรือความนิยมชมชอบคนกลัวถูกลงโทษจึงเว้นการควรเว้นต้องการได้รับความนิยมจากรัฐจึงเว้นสิ่งควรเว้นและทำสิ่งที่ควรทำรวมความว่าเพราะระเบียบของบ้านเมืองจึงทำให้เขาเว้นความชั่วเพราะกลัวถูกลงโทษ 3. พันธะกรณีทางสังคม o อปูล่ or social s แ n ่งชั่อันนี้หมายความว่าเมื่อคนทำดีเช่นกล้าหาญอดทนเสียสละย่อมได้รับความนิยมยกย่องจากสังคมการได้รับความนิยมเช่นนั้นทำให้บุคคลมีความรู้สึกสุขและรู้สึกมีเกียรติเขาจึงพอใจทำความดีต่อไปอีกส่วนคนทำชั่วย่อมได้รับการเหยียดยามจากสังคม ไม่สบายใจมองหน้าใครไม่สนิทเพราะกลัวถูกสังคมลงโทษทอดทิ้งเขาจึงเว้นการทำชั่วและเพราะอยากให้สังคมยอมรับเขาจึงทำความดีอันอำนวยประโยชน์แก่สังคมสพันธกรณีทางาศาสนา r e l i g i o u sanction s หมายความว่าเขาเลื่อมใสเชื่อในคำสอนของาศาสนาใด เขายอมพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นและเว้นสิ่งที่ศาสนานั้นสอนว่าชั่วไม่ควรทําอันหนึ่งผู้ที่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์พระเจ้ายอมเว้นชั่วเพราะกลัวตกนรกและทาดีเพราะอยากขึ้นสวรรค์เว้นชั่วเพราะกลัวพระเจ้าจะลงโทษและทาดีเพราะหวังได้รับรางวัลจากพระเจ้า เป็นแท้ถือว่าทั้งสี่ประการนี้เป็นพันธาการรีทางศีลธรรมเป็นแรงกระตุ้นให้คนประพฤติตามศีลธรรมเว้นความประพฤติที่ผิดศีลธรรมเสียเขาเห็นว่าพันธาการรีทางร่างกายเป็นพื้นฐานของพันธาการรีภายนอกทั้งปวงมันเป็นพันธกรรม binding force แห่งความประพฤติทางคุณธรรม หรือความประพฤติอันเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป 2. พันธะกรณีภายในหรือพันธกกรณีทางศีลธรรมพันธกกรณีภายในหรือพันธกกรณีทางศีลธรรมหมายถึงความพอใจเมื่อรู้สึกว่าตนได้กระทำอะไรลงไปตามมโนธรรมและความรู้สึกเสียใจเมื่อรู้สึกว่า ได้ทำสิ่งที่ขัดแย้งกับมโนธรรมความประพฤติดีมีปีติปราโมทเป็นรางวัลส่วนความประพฤติชั่วมีความทุกข์กายทุกใจเป็นสิ่งตอบแทนถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่ตนนั่นแหละเป็นผู้รู้เมื่อมโนธรรมลงโทษเป็นการลงโทษที่รุนแรงไม่น้อยเพราะมันเป็นแผลอยู่ที่ใจลักษณะดังกล่าวนี่แหละ ก่อให้เกิดพันธะกรณีภายในหรือพันธะกรณีทางศีลธรรมขึ้นอย่างไรก็ตามพันธะกรณีทั้งภายนอกและภายในย่อมมีส่วนช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามศีลธรรมขึ้นในสังคมกล่าวคือความรู้สึกสุขเพราะได้ประพฤติตามศีลธรรมและความรู้สึกทุกข์ใจเมื่อรู้สึกว่าตนได้ประพฤติผิดหลักศีลธรรม ช่วยให้คนเว้นการทำชั่วและทำความดีเพราะผลดีผลชั่วปรากฏชัดเจนแก่ใจของตนนี่เพราะพันธกรณีภายในส่วนบางคนยังมีอัธยาศัยหยาบปัญญาน้อยต้องอาศัยพันธกรณีภายนอกเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เว้นชั่วประพฤติดีเช่นพันธกรณีทางกฎหมายและทางศาสนาเป็นต้น พูดถึงการทำหน้าที่บางคนไม่รักหน้าที่ของตนแต่ทำหน้าที่เพราะพันธกรณีภายนอกเช่นกลัวถูกลงโทษหรือถูกติเตียนบางคนที่ทำหน้าที่เพราะรักหน้าที่ของตนหรือเพราะมโนธรรมในใจของตนคอยเตือนอยู่เสมอในคนสองพวกนี้พวกหลังย่อมทำหน้าที่ได้สมบูรณ์กว่าและมีความสุขใจ ปิติปราโมทเป็นรางวัลอยู่เสมอบางท่านมีความเห็นว่าการเว้นชั่วทำดีโดยอาศัยพันธาการณีภายนอกนั้นไม่จัดเป็นศีลธรรมเพราะกลัวถูกลงโทษและหวังรางวัลต่างหากหาใช่เกิดจากใจจริงไม่คล้ายๆกับการกระทำลงไปเพราะถูกบังคับให้ทำส่วนบุคคลที่อาศัยพันธาการณีภายในเล่า ก็หวังความสุขความพอใจของตนจึงทำดีและกลัวความทุกข์ทางใจจะเกิดแก่ตนจึงหนีชั่วคือยังเห็นแก่ตนอยู่นั่นเองความประพฤติอย่างนั้นไม่จัดเป็นศีลธรรมความประพฤติที่จะจัดเป็นศีลธรรมต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเจือปนอยู่เลยข้าพเจ้าคิดว่า ความเห็นอย่างนี้รุนแรงไปสักหน่อยแห้งแหลงและเข้มงวดไปสักหน่อยความจริงเราน่าจะพิจารณาสิ่งที่เขาทำด้วยว่าเขาทำอะไรแม้เขาจะมีเจตนาที่เห็นแก่ตัวอยู่ด้วยแต่การกระทำของเขาไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนและผลดีของการกระทำนั้นตกแก่ส่วนรวมการกระทำนั้นก็น่าจะจัดเป็นศีลธรรม หรือถูกต้องตามศีลธรรมได้ตัวอย่างบุคคลผู้หนึ่งบริจาคทรัพย์สร้างตึกเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือของพระสงฆ์แม้เขาต้องการขึ้นสวรรค์วิมานต้องการร่ำรวยในชาติหน้าหรือต้องการชื่อเสียงก็ตามผลดีแห่งการกระทำของเขาตกอยู่แก่ส่วนรวมส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ที่ยั่งยืน เราจะเรียกการกระทาของเขาว่าไม่เป็นศีลธรรมหรือจิงอยู่เจตนาของเขายังแฝงอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวแต่ผลแห่งการกระทาของเขาเป็นผลดีที่ตกแก่ส่วนรวม 3. อํานาจทางศีลธรรมกับความอิสระทางศีลธรรมผู้สนับสนุนกฎเกณฑ์ต่างๆว่าเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม ถือพระเจ้ารัฐสังคมหรือความเห็นของชุมชนว่าเป็นอำนาจทางศีลธรรมซึ่งมีปกติบังคับให้เชื่อกฎของพระเจ้ากฎของบ้านเมืองกฎของสังคมหรือกฎของเชื้อชาติชุมชนในกลุ่มของตนส่วนพวกยานิยมหรือสัญชาติตยานิยมคือความสำนึกภายในถือเอามาโนธรรมเป็นอำนาจทางศีลธรรม ซึ่งมีปกติบังคับให้คนเชื่อกดภายในคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจของตนแต่ขึ้นชื่อว่ากดแล้วไม่ว่าภายในหรือภายนอกเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมไม่ได้ศีลธรรมไม่ต้องการกดใดๆไม่ว่าเป็นภายในหรือภายนอกเพราะศีลธรรมหมายถึงเจตจำนงเสรีหรือ freedom of will เป็นใหญ่ในตนมีอิสระในตนปกครองตนเองตัวตนอุดมคติหรือตัวตนอันพร้อมด้วยเหตุผลนั่นเองเป็นอำนาจทางศีลธรรมบังคับให้ตัวตนฝ่ายตา่ำหรือเซนเชียนเซลฟ์ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมหรือมิฉนั้นก็ตนของตนนั่นเองบังคับตนเองให้ประพฤติตามหลักศีลธรรม คือเอาตัวตนฝ่ายสูงฝ่ายมีเหตุผลมีอุดมคติบังคับตัวตนฝ่ายตำ่ำฝ่ายไม่มีเหตุผลไม่มีอุดมคติ